สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยพิบาล น, นะครับพี่น้องครับในวันนี้พระวจนะของพระเจ้าก็นําเรามาถึงเรื่องของการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณครับซึ่งเป็นหัวใจของพระคัมภีร์ตอนนี้อันปรากฏอยู่ในพระธรรมสองเปรตโตบทที่1พี่น้องครับขอพระเจ้าทรงโปรดประทานพระวินญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่จะเปี่ยมล้นขณะเมื่อเราได้รับฟัง คำบรรยายในวันนี้เพราะเนื่องจากคำบรรยายนี้เป็นหัวใจของการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณครับก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับผมขอพี่น้องที่จะทบทวนในเรื่องของกฎของการเติบโตซึ่งเป็นกฎข้อที่15เรามาถึงกฎข้อที่สบของ20กฎทองคำแล้วนะครับซึ่งศาสตร า, <ส>าจารย์ดรฟิลิปเทงนั้นได้ได้กล่าวถึงการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณว่าเราจะได้รับฤทธิเดช แห่งการแสวงหาเมื่อเราแสวงหาการเติบโตฝ่ายจิตอิญยาณพระเจ้าจะประทานฤทธิ์เดชโดยที่เราจะต้องตั้งเป้าชัดเจนครับว่าเราจะแสวงหาการเติบโตเพื่อที่จะไปสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์และมีธรรมะหรือมีความชอบธรรมอย่างสมบูรณ์นั่นคือประการแรกครับเป้าหมายประการที่2ก็คือเราจะต้องแสวงหาการที่เราจะมีชีวิต ที่รับพระสิริและความ้่ำเลิดของพระเจ้าประการที่3ครับเราจะต้องแสวงหาการทําตามพันธสัญญาหรือพระสัญญาอันประเสริฐและยิ่งใหญ่ประการที่4ครับเราจะต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์ที่เราจะแสวงหาการพ้นจากการเสื่อมทรามของโลกนี้และเมื่อเราแสวงหาอยู่นั้นพระเจ้าจะประทานฤทธิ์เดช และขณะที่เราต้องจ่ายราคาในส่วนของเราคือเราจะต้องอุตสาหะนะครับพี่น้องครับผมทบทวนคำอุตสาหานั้นมาจากภาษาเดิมที่เป็นภาษาอังกฤษว่า chorus chorus ก็เป็นเหมือนกับเป็นการแสดงนะครับประสานเสียง chorus ในภาษาเดิมนั้นพระคัมภีร์ภาษาไทยแปลว่าเพิ่มเติมครับพระเจ้าจะเพิ่มเติมให้เมื่อเราอุตสาเมื่อเรามี วิริยะอุตสาหะครับในการสแสวงหาการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณแน่นอนครับใครก็ตามที่ปรารถนาที่จะเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณเรามีจิตใจที่สแสวงหาพระเจ้าจะทรงเพิ่มเติมให้อย่างแน่นอนคําว่าเพิ่มเติมเหมือนกับเครื่องดนตรีหลายชิ้นนะครับค่อยๆเพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้ามาร่วมกันบรรเลงทําให้เสียงเพลงนั้นไพเราะพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงเรื่องของท่าทีการสแสวงหาในภาษาจีน คำว่าอุตสามีความหมายว่าความขยันขันแข็งอดทนต่อสู้เพราะฉะนั้นจึงมี2ความหมายว่าความหมายแรกคือไม่ขี้เกียจไม่จองหองไม่ละเลยไม่เลินเลอ่อไม่ถอยหลังและประการที่2ก็คือมีเป้าหมายแน่นอนครับไล่ล่าหาการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณพี่นะครับในวันนี้ดังที่ผมได้เรียนให้ท่านทราบแล้วนะครับว่าเรามาถึงหัวใจหัวใจ7ประการครับซึ่ง เป็นก้าวที่จะเดินขึ้นไปข้างหน้าเรื่อยๆหรือก้าวสูงขึ้นไปแต่ละขั้นแต่ละขั้นหากว่าขั้นตอนเหล่านี้เป็นเปรียบเสมือนกับบันไดแล้วเราก็เราจะเริ่มต้นในวันนี้ในขั้นแรกก่อนครับก็คือความเชื่อความเชื่อนะครับเป็นบันไดก้าวแรกคุณธรรมเป็นบันไดก้าวที่2ความรู้เป็นบันไดก้าวที่3ความเหนี่ยวรั้งตนเป็นบันไดข้อที่4ขันติ เป็นบันไดข้อที่ห้าธรรมะหรือความชอบธรรมเป็นบันไดขั้นที่6และบันไดขั้นสุดท้ายคือความรักพี่น้องครับเขั้นตอนนี้มีส่วนเกี่ยวโยงนะครับเป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องกันไปและเป็นสิ่งที่เราจะต้องแสวงหาครับเพื่อการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณของเราชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเรานั้น พังอยู่ภายในครับสำคัญกว่าข้างนอกเพราะว่าชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณนั้นจะสามารถควบคุมร่างกายภายนอกให้มีสง่าราศีให้มีความแข็งแรงให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีบังคับจากภายในได้ครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมจะเริ่มต้นด้วยสองประการแรกประการแรกก็คือความเชื่อครับความเชื่อนั้นเป็นรากฐานของจิตวิ ญ, ญญาณ ดังนั้นเองรากฐานจะต้องทําให้ดีครับรากฐานจะต้องแข็งแกร่งก่อนรากฐานนั้นจะต้องมั่นคงความเชื่อมี3มขั้นตอนครับคือความเชื่อในเรื่องความรอดความเชื่อในการดำเนินชีวิตและความเชื่อในการปฏิบัติรับใช้ทุกๆขั้นตอนต้องมั่นคงครับพี่น้องครับผมทบทวนอีกครั้งหนึ่งความเชื่อมี3ขั้นตอนก็คือความเชื่อที่ทําให้เราไปถึงความรอด นั่นคือการกลับใจใหม่นะครับการต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตการตัดสินใจติดตามพระองค์ตลอดไปนั่นคือความเชื่ออันนั้นเป็นเบื้องต้นครับเป็นเบสิกเป็นมูลฐานทำให้เรารับความรอดความเชื่อในระดับขึ้นมาก็คือความเชื่อที่เราต้องใช้ในการดำเนินชีวิตแต่ละวันดำเนินไปด้วยความเชื่อนะครับดาเนินไปด้วยความหวังใจซึ่งเกิดจากความเชื่อ บบดำเนินไปด้วยความรักอันเกิดจากความเชื่อเชื่อว่าพระเจ้านั้นอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อว่าพระเจ้านั้นทรงควบคุมสถานการณ์อยู่เชื่อว่าพระเจ้านั้นได้มีความรักความเมตตาความเอาใจใส่เราตลอดเวลาทําให้เรามั่นคงในความเชื่อรักษาความเชื่อไว้จนถึงสุดปลายและมีความมั่นใจเมื่อเราท้อถอยเราจะไม่ทอ้อเราจะ ไม่ถอยพี่น้องครับนั่นคือการดำเนินชีวิตแต่ละวันของเราเราต้องมีความเชื่อประการสุดท้ายก็คือความเชื่อในการปฏิบัติรับใช้ความเชื่อที่นำไปสู่การถวายตัวถวายชีวิตพี่น้องครับการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าต้องมีความเชื่ออยู่ด้วยตลอดเวลาครับเมื่อความเชื่อเราลดลงหดลงถอยลงการรับใช้ของเราก็จะแผ่วครับการรับใช้ของเราก็จะไม่มีกาลังเลียวแรง การรับใช้ของเรานั้นก็จะถดถอยพี่น้องครับสามขั้นตอนนี้ต้องการความเชื่อและต้องจัดการให้เกิดการเติบโตให้ได้ครับทุกขั้นตอนต้องมั่นคงแ น, แน่วแน่ตามที่ท่านอัครทูตเปาโลเขียนไว้นะครับในพระธรรมโคลสีบทที่2อข้อ็พระธรรมโคลสีบทที่2ข้อ็นะครับโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าจงอย่างราก และก่อสร้างขึ้นในพระองค์และมั่นคงในความเชื่อโปรดฟังอีกครั้งครับจงอย่างรากและก่อสร้างขึ้นในพระองค์และมั่นคงในความเชื่ออาคารหลังหนึ่งครับถ้าวางรากฐานอย่างดีก็จะค่อยๆก่อทีละขั้นถึงชั้นสูงๆก็จะมั่นคงครับแต่หน้าเสียดายคริสเตียนหลายคนไม่มีราก พอแดดจัดแดดก็แผดเผาเพราะรากไม่มีจึงเหี่ยวไปอันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อที่6นะครับพี่น้องครับความเชื่อสำคัญขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเพิ่มพูนความเชื่อของเราให้เราเป็นผู้ที่มีความเชื่อตั้งแต่วางรากฐานขึ้นมาตั้งแต่การที่เรารับเชื่อเราต้องกลับไปดูครับ ลายหลาท่านทีเดียวอาจจะไม่ชัดเจนไม่มั่นใจก็ต้องขอให้ไปหาศิษยพิบาลครับนำรับเชื่ออีกครั้งหนึ่งครับหลายหลาคนอาจจะไม่มั่นใจในความรอดตายไปแล้วเราจะไปพบกับพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าไม่มั่นใจก็กลับไปหาศิษยพิบาลของท่านครับเพื่อที่จะไปให้อธิษฐานนำรับเชื่ออย่างถูกต้องเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจหลายหลาคนก็ อาจจะยังไม่ได้บังเกิดใหม่จริงๆนะครับนั่นเป็นสิ่งที่เรื่องเป็นคอขาดบาดตายครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าใครก็ตามที่ไม่มั่นใจไม่รู้ว่าตัวเองบังเกิดใหม่แล้วหรือยังชีวิตของเราอยู่ในความเสี่ยงมากมากครับสุ่มเสี่ยงที่เราจะยังไม่ได้บังเกิดใหม่ฉะนั้นจึงขอให้พี่น้องกลับไปหาศิษยิยมิบาลของท่านเพื่อที่จะตรวจสอบดูว่าท่านมีชีวิตใหม่หรือยัง ท่านบังเกิดใหม่หรือยังท่านเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหรือยังขอพระเจ้าเสริมสร้างกำลังพี่น้องนะครับประการแรกก็คือความเชื่อที่นำไปถึงความรอดประการที่สองก็คือความเชื่อในการดำเนินชีวิตประจำวันประการที่สามก็คือความเชื่อจนกระทั่งถึงเราตอบสนองด้วยการถวายตัวปฏิบัติอับชัครับอเมน